เนใหญ่ที่ประดับงเรือแต่ที่เคยเพื่อปฏิบัติในคนใหม่เนคนคนที่เคยสนใจดานธรรมะยประดับรับฟังกันมาส่วนหน้าการศึธรรมะทีจะพูดแนวการปฏิบัตินจตาองการปฏิบัติทีใ คัญยิ่งที่ควรควรประพิจาปฏิบัติเพราะจิตใจเมื่อขาดจากอัดจากทำจิตใจยอมเต่าหมองจิตใจย่อมเุ่นวายจิตใจย่อมเดือดร้อนฉะนั้นจึงควรประพิจาปฏิบัติยิ่งแต่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจอยากจะมีอาจมีธรรมในใจอยากจะได้มากอยากจะได้ผลใจต้นของตน ในตั้งหน้าต่างตาไปพึป้ปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้เหมืนอน ก, นกันกับคนอยากอาหารแต่ม่รับทานในกินมันก็ไม่มีวันอิม่มคนอยากจะถึงจ้ไม้ตายทางแต่ในเดินไปสักทีมันก็ไม่ถึงคนอยากจะใหการงานสาเร็จหรือล่วงไปจะม่ทำงานมันก็ไม่สาเร็จให้จต่นั้นความอยาก การปฏิบัติจึงเป็นขู่กันมีความอยากจะต้องลงมือปฏิบัติต่างหน้าต่างตาทำการงานที่ตนอยากได้ต่างหน้าต่างตาเดินไปจุดจุดหมายปลายทางที่ตนประสงค์ต่างหน้าต่างตาท า, อานอาหารเพื่อความอิ่มหนำทำลายจะเกิดขึ้นมีกาปรปฏิบัติบ้านจิตใจก็ทํานองเดียวกัน จะอยู่เฉยๆเหมือนที่มีที่เรนาอัดทำเหมนรักษากายวาจาและจิตใจทั้งคนอยากทาอยากสูดอยากคิดอะไรต่อยไปตามอาเภอใจแล้วอยากได้ความสงบความสุขความสุขทุกต่างๆคนเช่นนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะเจอความสุขความสงบความสุขได้ดังนั้นพวกเราท่านยิงควร ทีนี้คือจะใ า, าต้องการความสงบของใจขอให้กำหนดรักษาอย่าให้ใจสุ่มจุงคิดตานแปะทางนอกเหนือไปจากทางที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนไม่อย่างนั้นจะปล่อยใจลอยลมไปตลอดการตลอดสมัยมันคงมีอะไรที่จะสงบเยือกเย็นให้ยิงจลอยไปในทางโลก ทางโลกทางโู่ทางหลงก็ยิ่งจะไปกันใหญ่นำแต่ฟืนแต่ไฟมาเผามาไห ม, ม, มตัวเองเดือดร้อนหุน่นวายในฝุขในสบายในสงบเย็นเย็นอยู่ในสถ า, านที่ปลอดภัยงเยงียบสงัดจากูกเสียงเรื่งราวต่างๆอยู่ในที่เร่ขนาดไหนแต่ใจมันก็ไม่อยู่กับที่เร่ให ตายแส่ออกไปสู่สัญญาอารมณ์ขังเนอกคนประเภทนั้นคือใน่สังอนระวังใจของตอัคนประเภทนั้นเป็นคนโงคะอยู่ในสถานที่หนึ่งไปคิดไปปรุงเรื่องอันหนึ่งแล้วจะให้จิตใจมันสงบสบายอย่างไรทางธรรมนี้ในแผ่นจริสอนให้สังอนระวังเลืองใจของตัวจะเชั่อจะดี เพราะเรื่องติรักษาสังวรเอาไว้สิ่งใดที่เป็นภัยแก่ใจคิดไปพิจารณาไปเท่าไรใจเดือดร้อนใจวุ่นวายใจไม่สบายใจกำหนัดใจเพลิดเพลินใจเมอร์เใจลืเหลงอารมณ์ทัง้งยาส่วนนั้นพระพุใจเจ้าลูกคือูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาก่อนผ่านเคยแม่เคยสอน ใน่ให้ติดตามนี่ยโยกคลอนคือให้มีสติรักษาไม่มีใครที่จะมารักษาให้นอกจากตัวของเราจะรักษาใจของเราเองมันคิดไปเรื่องอะไรท่านมีสติทราบดีว่าอันนี้เป็นทำเป็นด้วยไหมอันนี้เป็นพิษเป็นไข่แก่ตัว่อของตัวนี่คือเรื่องผู้บุคคลปฏิบัติจะต้องดูใจของตัวอยู่ตลอดเวลา สินงใดเป็นพิษเป็นภยัยไรตุงค่าย่านำมาคิดมานดกมาเกี่ยวมาข่องกับตัวของตัวปัดทิ้งปล่อยทิ้งออกไประวังใจทงตัวนยนโยขวางกับเรื่องชั่วข้างนอกชั่วข้างในไม่เป้โยวขวางทั้งหมดเพราะมันคิดขึ้นถ้าหากเราไม่ติดตามเรื่องพองมันมันก็ตกไป อยสัญญาอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นแต่เราจิตตามมันก็หยืดยาวออกไปในีวันจบวันสิ้นเดี๋ยวมื่อออกมันออกไปเ็นที่เป็นฐานมันมีกําลังกล้าในทางยิ่งใหญ่ปัญหามันอยู่เป็นผ้าเป็นเมื้อไม่ได้ประเพืปฏิบัติในสมายมันจะต้องไปตามเรื่องของมันคือมันชอบมันยินดียิ่งใหญ่ของคนโดยส่วนใหญ่มันก็เกิดขึ้นจาก ส่วนน้อยเพื่อก่อนโดยการในทั้งวันในรักษาในหักห้ามมันตัวจะเริมก้าวหน้าขึ้นไปเพราะการรวมการคิดการบนรุงมันเหมือนกันจะฝูกพันต่างๆมันเกิดใหม่ในว่าต้นไม้หรืออะไรทั้งหมดนิดเดียวเราจะไม่ต้องใช้นึดใช้ขวานอะไรตัดก็ได้เอามือเด็ดเอาก็ขาด พูดถึงกําลังทังคนจากตัวเล็กๆที่มีโอกาสขาดเพราะมันยังอ่อนยังเล่นอยู่แต่เมื่อมันเปิบโตขึ้นไปไม้ก็อยู่ไม่ยางต้นใหญ่ๆตัมันตัดทั้งมันจนแตกหักบางผู้บางคนที่ไม่มีกําลังดีก็เลยหนีบไปซื่อไม่ไหวมันใหเอาจิ้งจี้จ้าแตกไม่ขาดมันจนแบบนั้น มันือมันเกิดขึ้นมันต้มมันนิดเดียวมันใหญ่ใหญ่โตนุษเราผมนั้นัารเกิดมาดึงต้มตรงนี้คนใหญ่คนโตอะไรไม่อย่างนั้นก็ออกจากคันของนานดาไม่ได้แต่มันใหญ่โตโตมาตั้งแต่ในคันมนุษคนถั่วไปที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมันเกิดมาดึงต้มนั้นเล็กทุกสิ่งทุกอย่างมันเล็กกส่านมันึงให อารมณ์ต้องใจนัวมักตันถ้าหากเราไม่รักษาระ ว, วังต่อให้มันลืดมันคิดมันติดมันเกี่ยวข้องกับอารมณมะะรม์ชั่วอยู่เรื่อยๆผลที่เกิดมันก็มีกําลังซ่าขึ้นมาทุกตางทุกเวลาซ่าจนถึงกว่าที่เหลืปัญหาหน้ามืดในราบว่าอะไรผิดถูกมีเชื่วมันเป็นทุกข์มันเผาใจ เหนือความอยากความใจเหนือกิเลสควาใจเหนือตัณหาขวาใจมากหนาเยอะหลายอย่างนั้นมันต้าเนที่ขางมันก็เมนกันกับไฟไม่เลือกว่าม้นั่นจะแห้งหรือไม่นั้นจะตายมันไม่นันเผาได้ทั้งนั้นคนที่มีกิเลสตัณหาในใจหนักหนามีจังโกโกลงอยู่ในใจมากมาแล้ว มันจะคำนึงคำนวงถึงว่าอันนั้นมีอันนี้ชั่วสิ่งที่เลือกแตางเ็นนั้นกันไม่ทราบว่าลูกนั้นมันสวยสดงดงามยอะไหมมันยินดีพอใจทั้งนั้นจะเป็นลูกเล็กลูกเล็กลูกเท่าลูกจย่ลูกหนึ่งลูสาวที่ไหนมันชอบมันยินดีมันเป็นใจนี่คือไฟของราคาตัญหามันไม่สุดมันไม่เผาไปได้ทั้ง ส่วนเป็นต้นตายหลวงไฟธรรมดากดๆนั้นกันถ้ากดขึ้นเต็มที่เต็มฐานคนที่เขามาพูดดีๆก็ผิดผู้ผิดใจกดให้เขาด่าเขาว่าเขาตีเขาทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นจากส่วนน้อยเยอะก่อนมันจึงเติบโตขึ้นที่มันเติบโตอย่างนั้นกว่าเราบำรุงมันไม่เลย ไม่ได้ตัดมันต่อยให้มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเรื่อยผลที่สุดมันก็ใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นจนทับถมความเป็นอาจเป็นธรรมความดีความเด่นของตในให้ล้มหายตายไปไม่มีอะไรในกายในใจจะเป็นอาจเป็นธรรมมีแต่ชี่เหลือตัณหาหน้ า, า, าทิฐิมีแต่สิ่งที่ไม่ดีสกกบฏเต็มตัวมันเปนอย่างนั้น ใครเล่าเขาแจกสัญลักษณ์เตือตัวเองสัญลักตัวเองไหมว่าจิตใจของเราีเ ย, ยือกเย็นเป็นอัดเป็ทนทำเกิดความสว่างสาวัใจสงบทุกการทุกเวลาตาเห็นหูได้ยินก็ไม่เกิดที่เรียตปัญหาไม่มีอะไรมาเกี่ยวพันกับใจมันเป็นไปไม่ได้ทํางสมรู้ษาสังข า, า, า, ามันเป็นไปได้ เพราะทำในสังวรระ ว, วงังเพราะควทำในต่างใจเสมะทุกคนเกิดมาก็ไหนต้องปฏิบัติอะไรอัตชั่งก็จะเกิดขึ้นในใจมรรคผลก็จะเกิดขึ้นตายไปก็นิถานดับกิเลสปัญหาดับภพบชาดหนีมนเป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้ระวังในรักษาในต่างหน้าต่าง ต, า, ง ต, า, งต า, งทาทาความภากความเพียร อยากจะถึงจุดหมายปลายทางให้เดินอยากจะยิ่มให้ทานอาหารอยากจะสำเร็จการในการงานหน้าที่ของตนให้ทำงานหนังนั้นไม่อย่างนั้นจะคิดอยู่แต่เพียงในใจฝ่ายฝันเท่าไรมันก็จกเป็นไป้ด้หู่เรื่องการประฏิบัติไม่หรา ด่างโลภหรือด่างธรรมมันเหมือนกันอยากได้อะไรเราต้องตั้งใจทำอันนั้นเพื่อให้ได้มาถึงความปรารถนาของตัวไม่อย่างนั้นเพียงแต่คิดในใจมันได้ตามความปรารถนาไม่มีใครทั่วหน้าในโลกจะอดย า, ากจนจะเป็นคนทุกข์อนาถา นี่มันไม่เป็นไป ต, ตามความศาถนาของตนเพียงแต่ยากมันไม่เป็นผลอะไรให้เรามาบวชในศาสนามาปฏิบัติจิตใจของตนก็ทำมาเหตุมีผลในตนของตนไม่อย่างนั้นเขาวัดเาวาจนทร์ปนภาวานามาระยะเวลายาวนานก็ไม่เห็นอะไรเกิด ขึ้นเห็นอะไรดีขึ้นพระพุทธเจ้าหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็โมคะม่มีสาระอะไรคืออาจารย์แม่สอนไม่มีความหมายอะไรพอฟังแล้วก็เห็นอะไรดีเด่นเกิดขึ้นมันจะสงสัยลังเลในจิตในใจเมันไม่เห็นไม่รู้มันควรมีศรัทธา ที่จะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติในรู้ให้เห็นในเกิดในเกิดในตัวของตัวถ้าหนูรู้หนูเห็นนั่นก็มีดีไนเด่นอะไรนั่นไั่มีอะไรที่จะสุกให้อยู่ในวัดในวาเป็นพระเป็นเมรุก็เพียงแต่รู้หลานจางตัวเถนน่านัแต่จิตใจมันยืง ย, ยุ่นอยู่ตลอดวันตลอดเวลาเป็นฆ่าแต่เสยกายมันเป็นหมา ยิ่งไปหาอารมณ์ทัญนาสินักปราชบัณฑิตทั่วไปทั่างไรเสริมเรากจะต้องตัง้งวนตัวค้องตัวสอนตัวค้องตัวแนะตัวค้องตัวการปฏิบัติตตคคแบบเก่าเคยแนะนําสั่งสอนมานับในทวดการพิจนะ่จะมาหรือการกําหนาดจะให้จิตใจอยู่เก่าเคยแนะเคยสอนมา ใ่ใ่ว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่เพราะว่าคำสอนของศาสนาของพระของเจ้ากับจิตใจของเราที่เป็นภานเป็นีที่ไม่มีอะไรรับความดีตัวนั้นไม่อาจหความเอาไว้ฝนจะตกหาใหญ่ขนาดไหนมันก็ไม่ไหลซึมลงไปในจิดในฆ้าในโอน่งในไห้หยุดความเอาไว้ ดอมาอย่างนั้นก็เหมือนกันกับเทน้ํารถหลังหมามันไหลหนีติดข้างอยู่นิดนิดในหมอกก็สลัดทิ้งเยอะไว้แหยมันทำหนังนั้นแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่มีทาระสิ่งที่ชั่วที่เสียเกี่ยวว่าเกี่ยวกับปหาอารมณ์สัญญาทางสายต่ำํำสายผิดจิตใจมันยินดีโดยยินอยู่ในอกวัด มันก็จับมานึกคิดจงแต่งทำให้กำหนักทำให้ยินดีทำให้มัวเมาทำให้เพลิดเพลินได้นอกจากนั้นเราเคยฟังมาตั้งแต่หลายยี่มหลายปีที่ผ่านมาในอดีตมันตัวยังนำมาคิดเคยได้ยินอย่างนั้นเคยได้พูดอย่างนี้เคยเลยสั้งขาดอย่างนั้นมันก็เลยไปกันใหญ่ นี่คือใจที่ในรับอัดรับทำใครจะเอาให้เท่าไรมันก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้เราปิดเราควาำจิตใจของเราทางอักทางทำแต่เปิดรับทางโลกมันจึงวุ่นวายแสบสายมันจึงไม่สงบไม่สบายให้ถ้าหากเราปิดอารมณ์ทางโลกรักษาอารมณ์ทางโลกไม่มาโย่คว่ พัวพันถึงมาเกียวข้องเราไปหยุดปัดเป่าอารมณ์เหล่านั้นให้ตกหายไปเติดหงายยิบใจคงตนในทางอัตทางธรรมเราลึล ก, ลกนึกคิดในถีนในสมาธิปัญญ า, าวิชาริมุบบติอยู่เรื่อยๆในปล่อยใจให้หลงไหลไปทางอื่น จิตใจคนนั้นถึงจะมืดอยบอดนาแต่เก่าแก่อ่าต่อตามก็มีความสว่างสวัยมีความเบื่รอนาก็จะมีความสงบเย็นใจเพราะทุกคนเคยเป็นเคยเห็นเคยผ่านมาเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าคนดีสาวกคนดีเคยเป็นมาเหมือนพวกเราแต่ท่านหักห้ามถือว่าสิิงที่เคยจิตติดตามเหล่านั้น ไม่เป็นผลอะไรมีแต่นำความเดือดร้อนมาเผาใจท่าจึงห้ามเอาไว้ถ้าหากจะสำเร็จมัรผลได้โดยการนึกคิดโยงทั้งโลกโยงทั้งกิเลตไม่ว่าจะมนุษย์สัตว์ทั่วไปนั่นก็สําเร็จมัรผลได้เพราะการโยง่วางกับกิเลตปัญหาโยงขวงกับโลกโกรธหลงภายนอกในต้องมี ใครไปบอกไปสอนมันเป็นไปเองตามธรรมชาติของมันเหมือนกันกับน้ำที่ไหลลงจากภูเขาไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรให้มันตัวไหลลงมาเองแต่จะให้มันไหลขึ้นภูเขามันเป็นไปยากถ้าหากไม่ทำเขี่ยมอาไว้แล้ไม่ตักขึ้นไปมันไม่ขึ้นจิตใจของพวกเรากเหมือนกัน ใส่ตามมันไหลลงง่ายไม่ต้องมีโรงเรียนมีครูมีอาจารย์แม่สอนมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันการที่จะหักห้ามไม่ให้จิตใจไหลไปสู่ด้านต่ำํำเราต้องมีธรรมมีสติมีปัญญารักษาใจของตัวสอนใจของตัวไม่ยอมเมื่อมันเกิดขึ้นปตัดมันทิ้งปล่อยมันทิ้งทำบริกรรมอันใดน ที่เป็นที่ชอบใจเหมาะกับนิสัยของตนบริกรรมเข้าไปให้ใจมันเกาะมันอาศัยให้ใจมันอยู่ในคำบริกรรมนั้นจนใจมีกําลังหากห้านอารมณ์ต่างๆหมดไปใจอยู่กับคำบริกรรมของตนถึงยังไม่พงบใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีที่เกาะที่อาศัยซึ่งเป็นอาจเป็นธรรม มาอย่างนั้นหนูมันพอต่อการพวงนั้นมั่งกูรวมเอาไปหนูมันรวมเอาไปแล้วก็ทราบทําไมจึงทราบจิตไม่เคยรวมก็เหมือนกันกับเราทานอาหารอ่ะเราไม่เคยทานมากตอนเด็กเกือบเมื่อไหร่ทำไมนั่นทราบว่ามันอิ่มความเย็นใครก็ทราบโดยกันความร้อนใครก็ทราบโดยอดกันขาดไปสัำไข่ มีจิตเดียวข้องข้อมผาดกับอักดทมทางสงบกว่าทํานองเดียวกันไม่ต้องไปถางคนอื่ น, นมันสงบหรือยังอย่างนี้ใครสงบไหมหนั่นมันโยนบ้าผามันเป็นในจิตในใจมันช า, นาบดีเพราะอารมณ์ส่วนนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใคยเปิดเคยมีใครเป็นเคยเห็นมาก่อนพอเรามาภาวนาะรักษาใจใจจะเคยาใายแต่ เอาเวลีกรรมติดกันเอาไว้มาหาใจไปคิดตึงโยงใหม่โยงนอกมันอยู่กับคําวลีกรรมนานเท่าจิตของเราลงโว ง, งแล้วกว็ทราบความลงโยงของใจความฝุ่ความสบายเป็นอย่างไรนั่นก็เลต้องไปถามคนอื่นโยงกันกับลิ้นที่ไปสัมผัสกับรสต่างๆมันชามันเคี้ยว ม, มันขมมันหวานมันทราบ รถอันนั้นเป็นอย่างไรเข้าใจในตัวของตัวเองมีใจถือใจสัมผัสกับความสงบสงัดคนงยนต้องใจสัทำมรอโยกันเชื่อมัน่นละอัดทำสี่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นของสุก ข, ของปละเสดของดีของวิเศษ ไมจิีในใจมัน no ม no, no, no ีทางสงสัย no. ม so ีต no, so ัวอยากจะให้มันเต็มมันเห็นมันรู้อย่างนั้นพอมันสุขมันสบายมันหยอกมันเนจริงจริงใจาไม่ใช่มันไม่ดีมันเฉื่อมันเสียจิตใจติดเช็คเหรือไม่เต็มไปตามจิ่ใจเห็นเคยเต็มอยงนั้นเียใจเลาหาอุบายรักษาหาธรราสอนใจเพื่อจะให้จิตใจสง สงบรวมๆอย่างนั้น <n> นีคือความเชื anyway ่อความเลื่อนใสความเห็นอัตทนัติทำในจิตในใจในปล่อยปละละเลยการเวลาผ่านไปแต่เราเดิไปคิดไปตึงส่วนนั้นส่วนนี้ส่งไปอี่างที่ไหนดีไนงามในตองนี้งเพราะมิผลของการสงบมีใจ ตัณหาตัณบริกรรมภาวนาตัณหาตัณ迦รักษาจิตมันเป็นไปในตัวเองในต้องมีคนบังคับบัญชาเพราะเหตุใดเพราะใจเดยสัมผัสกับอัตกับธรรมนี่มันมีเห็นในเต็มอย่างนะมันจึงรักษายากไอะสาวบอกมันอยากคิดอะไรมันอยากพูดอะไรอยากทําอะไรก็ทําไปตามเรื่งเท่านั้นการรักษาใจ เป็นเรื่องสําคัญความสุขคล้องใจจึงเป็นสิ่งที่สาธารณะของทุกท่านแต่คนหนึ่งคนหนึ่งเห็นหรู้เรื่องความสุขคล้องใจเขาก็หนูเห็นใช่เขาก็หนูยินดีเพราะเห็นว่าความสุขมันหนอยู่ในตนสุขมันอยู่ข้างนอกเลยวุ่งวุ่นไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเพราะหนูเห็นความสุขความเย็นในจิดในใจทั้งตน ถ่ายเห็นตอนตกความยมไายไหมมันไม่ไปหาที่ไหนที่อือ่นพะมันมีอยู่ในตนก็ครบเรื่องไสในพระพุทธไจจ่าหรือพรอริยสงฆ์ว่าท่านเป็นอยู่ตามป่าตามดงตามถ้ำตามเขาถึงอาหารกระอดยายาชนที่พักที่อาศัยจะมายใหญ่โตสวยงาท่านอยู่ด้วยอัยนอนี้ คือดูด้วยความสงบของจิตดูด้วยความสกบของจิตทาไมติดในอาลิตขังออกเราทราบพอเราเห็นเราเป็นในตัวของเรานี่การแต่เพื่อปฏิบัติจะเข้าถึงอาจถงธรรมจะตองตองหน้าตอ้ตาประเพืปฏิบัติจริงจริงใจาริงไม่ใช่ว่าคิดอยากจะสงบมันก็สงบขึ้นคิดอยากจะส่งทุกข์มันก็ส่งทุกข์ไปเอง ถ้ามันเป็นแบบนั้นใครเล่ามันมาติดโลกติดสงสารติดเกิดติดตายไปอีกเพราะทุกคนเกิดมามันมีทุกทุกเป็นเครื่องประจําอยู่ในถาดในขันทุกท่านทุกคนไปตามเจ็บปวดเหนื่ยเหนืหูมันมีตามีก็เป็นทุกข์หูมีมั่นก็เป็นทุกข์จมูก นี่มันก็เป็นทุกมันเป็นทุกทุกอย่างตั้งแต่ผมหรือวนจีรศักึิ์สุนี้จิตใจวิญญาณอะไรพอมันยาวขึ้นแล้วก็ยังเป็นทุกไป ห, หาดัดหาดาดหาแปลงต่างๆมันมีแต่ทุกอ่อนอันนี้ไม่ใช่ก่อนทุขเขียนยางก็ไปที่ไหนก็ร้องโวยทีเดียวพราะก่อนของทุก เราสองพิ่นี้พี่เจนะศึกษาปฏิบัติกายวา่าใจทุ่งตนอยากเป็นคนมีคนพิเศษอยากจะสุขจะสบายต้องกาจัดขับไล่พิเลศสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเทากายเท้าใจทุ่งตัวาหากเราขับไล่สิ่งเหล่านั้นออกไปจากกายจากใจมีมีพิษมีภัยส่วน ชั่วส่วนเสียต่างๆใจมันเบาใจมันสมายใจมันสว่างสวัยใจมันเยือกเย็นเราต้องกระทำบำเพ็ญภาเราปาัถนานี่ใครว่ามีาเฉยใจมันเกิดดีขึ้นมันเป็นขึ้นในหน้ไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเรื่องต้นมันก็เกิดขึ้นนิดหน่อยเพื่อก่อนมันไม่เลยใหญ่โต มาทีเดียวช้างโตโตโตมันก็เป็นหนุ่มของช้างเยอะก่อนนั่นทกคนเป็นแม่เป็นฝอของช้างขับต่างต่างตัวทำงานเดียวกันเรื่องอดธรรมที่เราฝึกตัวเพื่อปฏิบัติก็วทำงานเดียกันเรื่องต้นนันก็ละยากลําบากเพราะจิตของเรายังไม่เคยสัมผัสไม่เคยเกี่ยวข้องในด้านอาดด่านธรรมยึงต้องพยายามหักห้าง อารมณ์สัญญาทิเลตปัญหาต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องพัวพันห้ามเอาไว้ข้างนอกไม่ให้ลั่วไหลพอมาข้างในไม่ใหต้ตรงคิดติดข้องพยายามรักษาอย่างให้มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้าศึกศัตรูแก่อัดแก่รำแก่จิตแก่จใจถ้าจึงให้รักษาเหมือนกันกับ ยาที่มนเป็นขาสุดต่อพืชทรรณต่างๆที่เราไปปลูกฝังเอาไว้ถ้าเราไม่ได้ออกปล่อยให้ยามันพับถมเขาเ่าส่วนพืชพรรณที่เราต้องการอย่างนั้นมันจะอับเข่าเพราะยามันแย่งเอาอาหารจากต้นไม้ยึดอพืชพรรณต่าง ๆ, ๆ, ๆอย่างนั้นพอได้ออกขามันส่นข่าวมา ต า, ายยากมากมันก็อง อ, อกไาพืชผักต่างต่างตรงนี้นกันถ้ายยากมันหนาขึ้นย่างอาหารตรงเพืชผักตรงนั้นพืเพือผักก็กเลยก็สวยงานให้ตัวทีรักษามารักษาพืชผักเขาจีงได้ออกไปนี่คือที่รักษาจิตใจด้านภาวานาแต่ทำอย่างเดียวกันส่งหากท่าจิตใจที่เฉเสีย อารม่ชผิดเสียต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ไหลมาที่มันมีอยู่พยายามทำหนออกไปสังเจี่ยว่กับความเพียรเพื่อสังวรประทานระวังความเชั่วต่างๆข้างนอกไม่ให้ไหลผัวมาสู่กายราชจใจท่องตน ถ้าเป็นชั่วเป็นเสียจริที่ไม่ดีผมก็าตามไม่ยินก็าตามหักหา้ามไม่เใจไปสิดไปคิดไปตึงตลดปล่อยออกไปที่มันน้อยรู้ก็ดีเสียงก็นีจริงก็นีรัฐก็ดี้ิ่งมันเป็ น, น ท, ที่ต้องพยเน่อชื่อฉันว่ารับประทานคือความเพียรของนักปฏิบัติจะทราบจะเข้าใจไม่ปล่อให้ใจิตใจ ของตนไปจงรมหรือเกี่ยวข้ อ, ใ อ, อ, ง, ง, ง, อ, ของในอารมณ์ต่างๆภายนอกเสมอสบสมในจิตในใจปัญหากัะทาสำระใจที่ชั่วที่เสียที่ใน่ดีมีกิเลสให้มดออกไปตกออกไปมันคิดทางี่เลดปัญหามันคิดท้งโลภทั้งโกรธท้งหลงลขึ้นมาให้มีสติ รู้สึกตัวมีปัญญาสองตัวเรียกจัะรียกกำจัดความเัื่อภัยในที่มีอยู่จังละออกไปทวามเช่อภัยเน่าไปหลยไร้เลยนนั house, ่นก mm. ็มีวันเหียดแห้มีวันเมาบางมีวันหมดไปความดีส่วนใดยังไม่เกิดมีมีขึ้นพยายาม ทำคนดีเหมือนั้นคือเคยยามทินิษฐ์พิจนาหาความดีมาสอนใจท้องตนเมื่อเราสอนใจท้องตนด้วยความดีหาสิ่งดีมาให้ใจเสพหาสิ่งดีมาให้เป็นอาหารของใจใจมันจะสุขใจมันจะสบาย อาหารของใจหรือความดีที่จะนำใจให้เติบใหญ่ให้มีกำลังก็คืออาจรมดีสติดีปัญญาดีพิจารณาดีเรื่อยๆแต่ชาวมาจนสายจนเพียงจนหนาจนยนต์ฤิ์จนถึงดึกดืนเพ่นเพือนี้เราได้๋ยวทำความดีอะไรบ้างจิตใจของเราอยู่นีน ความเปี่ยงออาจต้องทำหรือไม่ตัวตาทุกเจ้านะทระใจสิงดที่ควรทำเราต้องทาไปเดินดวงกลมเรายเดินเดินหนังภาวนาเราก่อดหนังภาวนาไหว้ท้าสวดนเราเกไดไหว้ท้าสวดมนเราไม่ทาตนเห็น็นโมฆะเราเดยสัางสุนงความดีมาเดี๋ยาเดี๋ยววาจาเดีใจทงกต ในใจให้วันเวมาผ่านไปเปล่าเราละลึกนึกคิดถึงความดีที่เราได้แต่ทามาโดยกายใจจิตนี่ก่อนหมชือว่าเรารักษาจิตของเราในทางดีใจของเราเหนืองความมีที่เราได้ทามาใจนันก่อนยิ้มย้แจ่สายใจนันก่อนฝกตัวสบา